คำสั่งแม่ก่อนตายเรามีชีวิตเป็นอยู่เช่นนี้และได้ดีมีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์มีคนเคารพนับถือส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือคำสอนของพ่อแม่ก่อนที่แม่จะตายได้สั่งเสียเป็นเชิงอ้อนวอนรำพึงรำพันว่าสีเอ๋ยแม่อยากให้ลูกบวชให้สัก10บวัน15้าวัน พอให้แม่ได้พึ่งบุญพึ่งกุศลจะได้ตายไปดีได้ไปสวรรค์เหมือนอย่างพ่อแม่คนอื่นที่ลูกเขาบวชแล้วได้อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์บ้างเมื่อจบคําสั่งเสียของแม่น้ำตาเราร่วงหัวใจเหมือนจะหลุดจะหล่นหายไปต่อหน้าต่อตากุมมือแม่ไว้แน่นซึ้งในน้ำใจของท่านที่รักเรายิ่งนักจึงรีบรับปากแม่ว่าจะบวชให้แม่อย่างแน่นอน เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฟ้าดินเป็นพยานต่อหน้าแม่ทันทีว่าแม่ไม่ต้องห่วงหรอกลูกจะบวชให้แม่อย่างแน่นอนขอให้แม่ทำใจให้สบายเถิดเมื่อเราพูดจบลงอีกไม่จีวันแม่ก็สิ้นใจตายจากนั้นจึงจัดงานศพแม่อย่างวิจิตพิสดารแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนจย่างคณะกองยาวแห่แหนทั้งแห่ทั้งร้องไห้จนชาวบ้านตกอกต ก, ตกใจแปลกใจว่า ทำไมแม่ตายจึงแหแหนประหนึ่งว่าเป็นงานมงคลที่ทำเช่นนั้นไม่มีใครสามารถอาจรู้ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงทำให้ผู้คนเกิดความสงสัยงุนงงมาจนทุกวันนี้แต่ที่แท้จริงนั้นเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกที่มีการเกิดแจ่เจ็บตายน้ําตาเราที่ไหลจากใจที่สูญเสียช่างจดช่างจา ไม่มีวันลืมเลือนตั้งสัจจวาจาว่าจะบวชจะบวชนี้ตามกระตุ้นเตือนหลอกหลอนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันนึกถึงภาพแม่ที่ขาดใจตายกับความหวังที่แม่ฝากไว้จึงหมายใจว่าเราต้องสละการงานบ้านเรือนออกบวชให้ได้สักวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนตามคตินิยมของชาวไทยนับเนื่องมาแต่โบราณการกุระบุตรใด ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์บิดามารดามักจะจัดให้อุปสมบทโดยมีความเชื่อถือกันว่ากุลบุตรจะมีความเป็นกุลบุตรได้โดยสมบูรณ์ต้องผ่านการอุปสมบทแล้วมิฉะนั้นยังถือว่าเป็นคนดิบอยู่ก่อนจะไปมีครอบครัวเย่าเรือนต้องบวชเรียนเชียนอ่านซะก่อนต้องบวชก่อนแล้วค่อยเบียดอย่าเบียดก่อนไปบวชแม้ในขณะนั้นชาติบ้านเมือง ยังคู่กรุนอยู่ในภาวะสงครามชาติบ้านเมืองกำลังขาดครูและขาดกำลังทหารแต่คำสั่งเสียของแม่ก็เร่งร้าอยู่ข้างในใจเสมอเร่งร้าถึงการบรรพชาอุปสมบททุกค่ำทุกคืนบางวันนอนน้ำตาไหลเ น, นืกงนไปว่าเมื่อไรหนอเราจะสลัดความอาลัยออกได้แล้วบวชให้แม่สักทีนี้เราก็อายุ29ปีแล้วควรจะหาโอกาสบวช พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ออกบวชเมื่อคราวพระชนมายุย9ปีพระองค์สละบุตรภรรยาทรัพสมบัติอันมหาศาลส่วนราวบวชเพื่อทดแทนบุญคุณเข้าป้อนจะไม่ได้เชิวหรือวันหนึ่งเมื่อตัดสินใจได้แล้วจึงบอกภรรยาอันเป็นที่รักว่าในชีวิตหนึ่งอยากจะขอบวชเข้าพรรษาสักครั้งภรรยาก็ยินดีอนุโมทนาด้วยไม่ขัดข้อง เงินทองและสมบัติที่มีก็มอบให้ภรรยาเจ็บไว้ใช้และได้มอบม้าคู่ใจให้แจ่ไอ้โดนซึ่งเป็นน้องเมียด้วยความอาลัยแต่ซุกซ่อนความมุ่งมั่นไว้ภายในโดยพูดว่าไอ้โดนมึงมานี่อันม้าของกูกูยกให้มึงเดอ้อให้มึงเลี้ยงเอาขายเอากูจะไปบวชสักปีในชีวิตหนึ่งกูก็อยากบวชเข้าพรรษาสักครั้งคาสั่งลานั้น สังหอนใจประหนึ่งว่าท่านจะไม่กลับมาครองโลกครองเรือนอีกวาจาท่านเหมือนอะไรอาวรแต่กิริยาที่จะได้บวชนั้นเหมือนปลาได้น้ำเมื่อได้โอกาสอันสมควรก็เข้าไปกราบลาพ่อตาแม่ยายลาศึกษาที่การอำเภอเมืองไรเอ็ดทั้งพ่อตาแม่ยายก็ห้ามทั้งศึกษาที่การอำเภอก็ห้ามบวชอย่างเด็ดขาดเพราะขณะนั้นชาติบ้านเมืองกาลังขาดกาลังครูถ้าบวชก็ต้องลาออก เราจึงคว้ากระดาษมาเขียนใบลาออกต่อหน้า ต, ต่อตาอย่างเด็ดขาดการบวชไม่ได้หวังว่าจะบวชตลอดชีวิตบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาบุพการีครูบาอาจารย์ตลอดจนท่านผู้มีพระคุณให้ได้รับผลบุญผลกุศลอันเกิดแต่อานิสงส์แห่งการที่เราบวชนอกจากนั้นการได้ศึกษาเล่าเรียนและดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินยัยขณะครองเพศบญปชนอยู คงจกช่วยขัดกล่าวจิตใจให้หมดจดดีงามการที่เราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลกินในธรรมย่อมบังเกิดความเจริญก้าวหน้าในเมื่อเวลาสึกออกมาดำรงชีวิตแห่งการเป็นคารวาสสืบต่อไปด้วยอุปนิสัยแห่งสาวกบรมียานมากระตุ้นเตือนประกอบกับด้วยความศรัทธาในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้ขอลาออกจากราชการ เพื่อบรรพชาอุปสมบทอุปสมบทที่วัดราชรังสรร์บ้านป่ายางตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอดโดยมีพระโพธิยานมุนีคําโพธิยาโนเจ้าคณะจังหวัดร้อ็ดธรรมยุตเป็นพระอุปชาพระครูสิริธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อเ็ดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสมุพันธ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่26พฤษภาคม พุทธศักราช2488เวลา 09.00 นได้ฉายานามว่ามหาวีโรแปลความหมายว่าผู้มีความหารกล้ามากหรือแปลอีกในย่นหนึ่งว่าผู้สามารถบุกเข้าไปทำลายกองกิเลสได้อธิบายว่าผู้มีความเพียรใหญ่ด้วยองค์ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันประกอบด้วยองศีรซึ่งเป็นเครื่องเสริมสร้างบา ร, รมี